ตอนที่69หนาวเสียจนแทบจะแช่แข็งคนให้ตายได้พวกเจ้ามันพวกลิงทโมโอนจริ ง, รงๆหน้าปวดหัวเสียจริงเจ้าชุนทาัวาบ่นอุปคลางแสดงท่าทีรังเกียจแต่ในความเป็นจริงมือของนางตอบไม่หยุดปริบัติพัดบีพวกเด็กๆเลยตอนนี้นางแทบจะจินตนาการออกแล้วว่าหากที่บ้านมีเด็กชายเพิ่มมาอีกคนจะคลึกครื้นขนาดไหนคุณเ่ยครับที่บ้านไม่มีรองเท้าเหลือแล้วจริงๆเหรอจึงเศร้าสิ่งทาได้เพียงยืนเท้าเปล่าบนมา้านั่งเขาแทบรอไม่ไหวที่จะออกไปเล่นข้างนอกแล้ว ไม่มีแล้วที่บ้านจะมีรองเท้ามากมายขนาดนั้นให้พวกเจ้าถลุงเล่นได้ยังไงอยู่เฉยเฉเสียรอให้รองเท้าแห้งเมื่อไหร่ค่อยใส่ถ้าไม่แห้งเจ้าก็นั่งอยู่ตรงนี้ไปตลอดนั่นแหละเจ้าชุนฮาวาเตือนเขาไม่ให้สนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่แต่ถุงเท้าก็จะไม่เหลือให้ใส่เจ้งางวินชงมองดูพวกเด็กๆที่พากันเข้าห้องมาลำพังแค่รองเท้าที่พวกเขาถอดทิ้งไว้ก็กินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งของเตียงข้างแล้วหลิวันรู้สึกเหมือนนิ้วเท้าจะแข็งจนชาไปหมดแล้วสนุกจังเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นต่อหนาวไหม ลี่ชิงพิงหยิบทั้งผัวจุนในมือวางไว้ใต้ฝ่าเท้าลูกสาวน้ำเสียงอ่อนโยนรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมไม่หนาวคะ่ะลี่หวานปากบอกไม่หนาวแต่ความจริงใบหน้าแข็งจนแดงก่ำไปหมดแล้วระวังจะโดนหิมะกัดเอาเจ้าชุนฮวากำชับเมื่อก่อนอากาศหนาวจัดจะมีคนหนาวตายก็มีพวกเจ้าตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วยังจะรันวิ่งออกไปเล่นหิมะอีกคุณยน่ยครับในบ้านอุ่นขนาดนี้จะหนาวตายได้ยังไงเจ้งเซาซิงรู้สึกฉงน เมื่อก่อนไม่ได้มีเงื่อนไขดีๆแบบนี้บ้านไหนจะมาเผาถ่านหินกันล่ะเดี๋ยวนี้ชีวิตดีขึ้นเรือยแทบจะไม่มีคนหนาวตายแล้วใช่ค่ะเมื่อก่อนในหมู่บ้านพวกเราก็มีคนหนาวตายไม่น้อยโดยเฉพาะช่วงเดือนสิบสองที่หนาวจัดหนาวเข้ากระดูกเลยทีเดียวลีชิงผิงมีประสบการณ์ตรงตอนนั้นนางกับลูกสาวเกิดจะหนาวตายเหมือนกันฤ ด, ดูหนาวปีนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้ลีชิงผิงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของพวกนางสองคน เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่จําเป็นต้องรื้อฟืน้นสิ่งสําคัญคือปัจจุบันลีชิงพิงสัมผัสได้ว่าเท้าของลูกสาวเริ่ม อ, อุ่นขึ้นนางรู้สึกมีความสุขกับปัจจุบันอย่างที่สุดความจริงก็ใช่ว่าทุกบ้านจะมีฐานหินให้เผาการซื้อฐานหินต้องใช้เงินและฤดูหนาวหนึ่งอย่างน้อยต้องเสียเงินค่าฐานหินหลายสิบหยวนมีเพียงบ้านที่มีฐานะดีเท่านั้นที่จะเผาฐานหินส่วนบ้านที่ฐานน้ไม่ดีก็จะใช้ฐานก้อนแทน เพียงแต่ฐานก้อนเวลาเผาในห้องจะมีกลิ่นเหม็นมากมักจะมีควันหนาพวยพุ่งออกมาพอควันจางลงฐานก้อนนั้นก็เกือบจะไม่หมดแล้วลิวเคอร์เกอกับคนในบ้านตอนนี้กำลังเผาถ่านแบบนี้อยู่ที่บ้านความจริงฐานก้อนแบบนี้ก็ใช่ว่าจะราคาถูกพวกเขาตัดใจเผาเพียงเล็กน้อยเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นโจเจียนเย่ A ต้องใช้เวลานานทุกครั้งกว่าจะจุดฐานก้อนติดลิวเคอร์เกอหนาวสัน่นไปทั้งตัวความหนาวน่าเรื่องรองแต่ที่สำคัญคือกลิ่นนางสำลักควันไปหลายครั้งแล้วเจียนเย่ A ฉันได้ยินมาว่ามีคนสำลักควันฐานก้อนตายนะ พวกเราเผาแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วคุณดูซิว่าพอจะซื้อเตาได้ไหมหรือไม่ก็ก่อดเตียงข้างพวกเราเผาถ่านในเตียงข้างโดยตรงฤดูหนาวเพิ่งจะเริ่มต้นจะทนไปแบบนี้ได้ยังไงอีกอย่างถึงปีนี้พวกเราไม่เผาปีหน้าพอมีลูกแล้วก็ต้องหาทางอยู่ดีจะปล่อยให้ลูกมาหนาวตายไปกับพวกเราไม่ได้นะหรือเคริรเค่อขมวดคิ้วมุ่นเอ่ยด้วยน้ำเสียงร้อนรนผมรู้เรื่องปีหน้าไว้ค่อยว่ากันปีหน้าพวกเราแก้ปัญหาของปีนี้ก่อน ความจริงหนาวหน่อยก็ไม่เป็นไรพอหลับไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วถ้าคุณกลัวตอนกลางคืนพวกเราก็ไม่ต้องเผาดีไหมโจเซียนเย่ยก็รู้สึกว่ามันลำบากเหมือนกันแค่ห้องหนาวไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกน้ําในห้องพวกเราแข็งหมดแล้ว น, นนี่ไม่ใช่แค่หนาวธรรมดาแล้วลิวเคอเคอความจริงยังหวังว่าเขาจะพอหาทางทําให้อุ่นขึ้นบ้างไม่ใช่ทนไปวันวันแบบนี้นี่มันชีวิตแบบไหนกันตอนกลางวันฉันไปทํางานยังพอว่าแต่พอกลับมาตอนกลางคืนมันหนาวจะตายอยู่แล้ว ถ้าเกิดเป็นหวัดขึ้นมาจะทำยังไงพวกเราก่อเตียงข้างเถอะจ้างคนมาก่อเตียงข้างต้องใช้เงินไม่น้อยตอนนี้พวกเราสองคนไม่มีเงินมากขนาดนั้นไม่ใช่เหรอคุณยังบอกเองเลยว่าต้องเก็บเงินไว้คลอดลูกทุกอย่างมันต้องใช้เงินทั้งนั้นตอนนี้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดผมรู้ว่าคุณอยู่กับผมแล้วต้องลำบากไม่อย่างนั้นคุณก็กลับไปอยู่ที่บ้านแม่ก่อนไหมส่วนผมไปอยู่ที่หอพักแบบนี้พวกเรายังประหยัดค่าทําความร้อนไปได้ตั้งเยอะโจวเจี้ยนเย่ยคิดว่าวิธีนี้เข้าท่า คราวก่อนฉันกลับบ้านแม่แม่ก็ไม่พอใจแล้วคราวนี้ฉันไม่อยากกลับไปอีกอีกอย่างพวกเราสองคนแต่งงานกันแล้วคุณจะให้ฉันกลับไปคนเดียวมันหมายความว่ายังไงไม่อย่างนั้นพวกเราสองคนก็ไปอยู่ที่หอพักของคุณด้วยกันเลยสิยังไงคุณก็เป็นถึงผู้พันทําไมสวัสดิการอย่างอื่นถึงไม่มีเลยล่ะลิวเครอรเครอรเ อ, อ่ยด้วยน้ําเสียงตัดพอนางยกมือขึ้นถูไหล่มันหนาวเกินไปจริงๆ จ, จนไม่อยากจะพูดจาไออุ่นในร่างกายแทบจะมาลายหายไปหมดแล้ว นางห่อตัวเสียมิชิดมองโจวเจียนเย่ด้วยในตาครอบเลอ่อชายหนุ่มเองก็กำลังหงุดหงิดจึงไม่ได้มีสีหน้าดีๆให้หลิวเครอรเคร่อ์นักเครอรเคิรปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเราตอนนี้คือไม่มีเงินเงินแค่นี้ทําอะไรไม่ได้เลยคุณเลิกสร้างปัญหาให้ผมได้ไหมผมอุตสาหะทางออกให้ได้ขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วเจียนเย่ทำไม่ไหวจริงๆก็ไปขอเงินแม่คุณสิแม่ต้องมีเงินเก็บอยู่แน่ๆ่ไม่ได้เงินนั่นเก็บไวใ้ให้แม่ผมใช้ตอนกับผมเอามาไม่ได้ ประเด็นคือตอนนี้พวกเราสองคนขาดแคลนเงินเินก้อนนี้สําคัญกับพวกเรามากนะลิวเคอเคอกล่าวต่อถือว่าฉันขอร้องเถอะนะได้ไหมพ่อกับแม่ท่านยังไม่แก่มากอย่างมากวันหลังพวกเราค่อยๆเก็บเงินคืนท่านก็ได้แต่ลูกของพวกเราหนะ้ารอไม่ได้นะอีกอย่างคือไม่อย่างนั้นคุณก็ไปขอเงินจากหลีชิงผิงสิพวกคุณสองคนอย่าการทำไมหล่อนถึงเอาเงินคุณไปตั้งมากมายขนาดนั้นในคราวเดียวตอนนี้หล่อนแต่งงานใหม่ไปได้ดีแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากขนาดนั้นหรอก แล้ยมีลานบ้านข้างๆนั่นอีกหล่อนเป็นคนซื้อไว้ถ้าพวกเรามีลานบ้านให้อยู่ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ตั้งเยอะหลิวเคอเคอจ้องจะเอาทุกอย่างที่จ้องได้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าโจเจี้เย่ยจะตัดสินใจอย่างไรโจเจี้เย่ยกลืนน้าลายลงคอเคอเคอคุณเสียใจที่แต่งงานกับผมหรือเปล่าหลิวเคอเคอมองเขาตาค้างไม่รู้จะตอบอย่างไรนางไม่ได้เสียใจเพียงแต่รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อย ตั้งแต่มาอยู่กับเขานางต้องทนทุกทรมานในแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วงครึ่งชีวิตแรกวันที่สุขสบายไม่มีเลยสักวันหลิวเคอเคอร์อมาจะคิดเสมอว่าความลำบากของพวกนางจะผ่านพ้นไปและพบกับความสุขในที่สุดแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่กันนางถอนหายใจคุณคำนึงถึงทุกคนอย่างรอบคอบไปหมดคำนึงถึงความคิดของทุกคนยกเว้นของฉันฉันไม่เสียใจที่แต่งงานกับคุณแต่แม่ของฉันเสียใจพวกเราสองคนแต่งงานกันแล้ว ฉันจะเอาแต่ขอให้แม่ช่วยฝ่ายเดียวไม่ได้ฉันเป็นลูกสาวที่แต่งออกไปแล้วจะกลับไปพึ่งพาบ้านเดิมตลอดไม่ได้หรอกความหมายของผมคือตอนนี้พวกเรากำลังลำบากผู้ใหญ่ฝ่ายไหนเต็มใจช่วยก็ช่วยพวกเราหน่อยวัาหลังพอพวกท่านแก่ตัวลงพวกเราก็จะเลี้ยงดูเองทางฝั่งโจเจี้ยนเย่ยอย่างไรเสียก็หวังพึ่งไม่ได้เลย